ก็ภิกษุใดเมื่อไม่กระทำอาการทั้งหลายมีนิมิตโภพาตปริคถาและวินยัตแม้ที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไว้แล้วอาศัยคุณมีความปรารถนาน้อยเป็นต้นเนี่ยนะคือปรารถนาน้อยมักน้อยนั่นเองนะปรารถนาน้อยปรารถนาความสงัดวิเวกไม่คลุกคลีปรารบความเพียรเป็นต้นเนี่ยนะมักน้อยปรารถนาน้อยอย่างเดียว แม้เมื่อความสิ้นชีวิตปรากฏอยู่เฉพาะหน้าก็ไม่ยอมเสพปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งหลายเว้นจากอาการทั้งหลายมีโอภาษเป็นต้นเนีย่ยนะเท่านั้นคือเว้นหมดเลยจะไม่ทําพฤติกรรมทั้งสอย่างนี่เด็ดขาดเหมือนกันเถอะถ้าหากว่าปรารถนาะอ่าคือเป็นผู้ที่มีคุณธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ปรารถนาะคุณชั้นสูงจริงๆเนี่ยนะกิริยาเหล่านี้เขาก็ไม่ทําภิสูุรูปนี้เรียกว่า ผู้มีความประพฤติเป็นปรมาสาเลขาปรมาเนี่ยเรียกว่าสุดยอดคำว่างั้นน่ยยอดอย่างเยี่ยมเหมือนกันเรียกว่าสันเลขานี่ขัดเกลาอย่างเยี่ยมเหมือนกันเถอะไม่ทําอาการสี่อย่างนี้แม้แต่อย่างเดียวคือไม่ทํานิมิตไม่ทําโอภาษไม่ปริคาถาแล้วก็ไม่วิญญตัตเลยเวิญญัตินี่คือเอ่ยปากขอเนะีเหมือนอย่างพระสารีบุตรเถระยกตัวอย่างนี่ก็เอาแบบสุดยอดเลยนะ มีเรื่องเล่าว่าในสมัยหนึ่งท่านพร ะ, ะท่านผู้มีอายุนั้นคำนี้เนี่ยนะคว่าผู้มีอายุตรงนี้เนี่ยมาจากบาลีว่าอายสมาอายสมาเนี่เป็นคำที่กล่าวถึงความเคารพเนี่ยนะเป็นคำที่พูดกับคนที่เคารพอย่างเดียวนะใช้คำว่าอายสมาซึ่งแปลว่าผู้มีอายุนั้นท่านพระสารีบุตรน่แหละเมื่อจะเพิ่มพูนปวิเวกเนี่ยนะปะเนี่ยแปลว่าทั่ว วินี่แปลว่าวิวเวกเนี่ยนะวิเวกก็คือความสังัด น, นะคือความสังัดทั่วทั้งกายวิเวกจิตวิเวกและอุปัติวิเวกนั่นแหละจึงอยู่เสียในป่าแห่งใดแห่งหนึ่งกับพระมหาโมคคลานะเถระครั้งนั้นมาในวันหนึ่งอาพาธเพราะลมในท้องเกิดขึ้นแล้วยังทุกข์อย่างหนักให้เกิดขึ้นแก่ท่านพระมหาโมคคลานะเถระไปสู่สถานที่บำรุงของของท่านในเวลาเยน็น เห็นพระเถระนอนอยู่จึงถามถึงความเป็นไปนั้นทราบแล้วจึงถามว่าท่านในการก่อนท่านมีความพาสุขได้ด้วยอะไรเนี่ยนะหมายความว่าสมัยก่อนที่ป่วยเป็นแบบนี้เนี่ยหายเพราะอะไรพระเถระกล่าวตอบว่านี่นะีท่านในการที่ยังเป็นครหัสมารดาของผมได้ให้ข้าวปลายาตมีน้ำนมบริสุทธ ปรุงด้วยเนยใส่น้ำผึ้งและน้ำตาลกรวดคือเอาเข้าวสารเนี่ยนะมาใส่น้ำนมล้วนๆไม่ผสมน้ำเลยเนี่ยนะต้มแล้วก็ใส่เนยใสย่ใส่น้ำผึ้งใส่น้ำตาลกรวดลงไปผมมีความผาสุกได้ด้วยเหตุนั้นอันนี้เป็นยาแก้โรคลมบางงั้นเถอะท่านพระมหาโมกขานะแม้นั้นจึงกล่าวว่าเอาเถิดท่านถ้าหากว่าบุญของผมหรือว่าของท่านมีอยู่แล้วใช้เห็นทีพรุ่งนี้เราจักได้นะ ถ้ามีบุญก็ได้ชั้นแน่พรุ่งนี้เหมือนกันเนียแต่ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเ อ, อ๊ะที่ท่านเคยเป็นโรคลมมาเมื่อก่อนเนี่ยหายได้ด้วยอาหารชนิดนี้เหมือนกันฝ่ายเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ณนะต้นไม้ปลายที่จงกรมได้ยินคําสนทนากันนี้ของท่านเหล่านั้นแล้วคิดว่าพรุ่งนี้เราจกบันดาลข้าวปายาดให้เกิดขึ้นแก่พระคุณเจ้าให้ได้เทวดาก็ศรัทธาเหมือนกันดังนี้แล้วก็จึงไปสู่ตระกูลอุปถากของพระเถระเลยทีเดียว เข้าสิงร่างบุตรคนโตทําความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นเลนะผีนี่เข้าไปสิงเลยนะเทวดาสิงครั้งนั้นเทวดากล่าวกับพวกญาติที่มาประชุมกันเพราะเหตุที่จะเยียวยาคนป่วยนั้นว่านะเทวดาก็พูดเลยถ้าหากว่าพรุ่งนี้พวกท่านตรเตรียมข้าวปลายาต์ชื่อเช่นนี้แก่พระเถระไซเราจะปล่อยดังนี้พวกญาติเหล่านั้นกล่าวว่าแม้ว่าท่านไม่บอกพวกเราก็ถวาย พิกษาเป็นประจําแก่พระเถระอยู่แล้วนะนะไม่ต้องมาเตือนหรอกว่า ง, งั้นเถอะตระกูลนี้ก็อุปถากท่านอยู่แล้วละว่า ง, งั้นดังนี้แล้วในวันที่สองตระเตรียมข้าวปลายาตที่เป็นเช่นนั้นเอาไว้นะนะเอาีสิงลูกให้ทําบุญแบบนี้เอาเอาขอเอาพระมหาโมคคลานเถระมาแต่เช้าทีเดียวกล่าวกัะท่านพระสารีบุตรเถระว่านี่เนท่าน ขอท่านจงอยู่ณที่นี้เท่านั้นตลอดเวลาที่ผมเที่ยวไปเพื่อบินทบาทแล้วกลับมานะนะแบบเดี๋ยวผมบินเลี้ยงเองว่างั้นดังนี้แล้วก็เข้าไปสู่ละแวกบ้านพวกคนเหล่านั้นก็ออกมาต้อนรับรับบาดพระเถระใส่ข้าวปลายาตมีประการตามที่กล่าวแล้วจนเต็มถวายไปพระเถระแสดงอาการจะกลับไปเนี่ยนะคือใส่บาดเต็มแล้วท่านจะกลับเนี่ยนะปกติท่านจะนั่งฉันที่นั่นแหละท่านก็จะกลับไป คนเหล่านั้นจึงกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าขอท่านจงฉันเถิดพวกข้าพเจ้าจะถวายแก่ท่านแม้อีกให้พระเถระนั้นฉันแล้วก็ได้ถวายข้าวปายาตเต็มบาทไปอีกนะพระเถระกลับมาถึงก็น้อมเข้าปายาตเข้าไปกล่าวว่านี่แน่ท่านสารีบุตรขอท่านจงบริโภคเสถีรเนี่ยนะไออย่างที่ว่านี่ได้มาแล้วละเหมืนิันนีมณฉันฝ่ายพระสารีบุตรเถระเห็นข้าวปายาตนั้นแล้วคิดว่า ข้าวปลายาต์น่าชอบใจยิ่งนักเกิดขึ้นได้อย่างไรหนอเห็นอาหารปั๊บเนี่ยคิดเลยเอออาหารนี่มายัางไงครั้นเห็นมูลแห่งความเกิดขึ้นของข้าวปลายาต้นแล้วจึงกล่าวว่านี่เนี่ยท่านโมคคลานะท่านจงนําไปเสียมันเป็นบินทบาทที่ไม่ควรแก่การบริโภคก็ท่านธพโมคคลนะนั้น ไม่ทำแม้ความคิดให้เกิดขึ้นเลยว่าเขาไม่บริโภคบิณฑบาตอันบุคคลชื่อว่าเป็นเช่นเรานำมาถวายเชียวนะนะท่านก็ไม่รู้สึกว่าท่านคิดแบบนี้เลยโดยคำพูดเพียงคำเดียวเท่านั้นก็จับบาตรนะก็จับบาตรที่ขอบปากคว่าลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอาภาคของพระสารีบุตรเทระอันตรธานหายไปพร้อมกับการที่เข้าปายาตกองลงที่พื้นดิน จำเดิมแต่นั้นไปตลอดเวลา4 5พ0รปาท่านก็ไม่เกิดอาพาธอีกเนี่ยนะลำดับนั้นท่านก็กล่าวกับท่านพระหมหาโมคคลานะว่านี่แน่ะอาวุโสแม้เมื่อใส้ทั้งหลายจะออกมาเที่ยวไปตามพื้นดินก็เถอะเข้าปายาที่เกิดขึ้นเพราะอาศาัยวจีวิญยัตเป็นของไม่สมควรที่จะบริโภคดังนี้เนี่นยนะก็บอกว่า สํานวนสมัยก่อนเขาชอบพูดกันว่าถ้าหิวหิวจนไสออกมาเดินหาเลยนะมันหิวมากอยากกินของแบบนั้นมากๆเท่ากันเขาบอกว่าโดยโวหารของชาวโลกนะเป็นสํานวนของคนสมัยนั้นอนะถ้าใครอยากอะไรมากๆโอ้อยากจนไส้เนี่ยวิ่งออกมาหากินเลยอ่ะสํานวนเขาอ่ะนะแต่ทีนี้ว่าที่ท่านพูดลักษณะนี้คือท่านเนี่ยเป็นคนมักน้อยจริงๆเนี่ยนะเห็นนี่ว่านิมิตเนี่ยอาหารอันนี้เนี่ยเกิดจากการพูดเลียบเคียงนิดๆหน่อยๆเกิดขึ้นเนี่ยเอ๊ คือที่ท่านพูดนี่ก็ไม่ประสงค์จะให้เขาทำแบบนั้นหรอกแต่ว่าเหมือนก็นเอ่ยไว้ก่อนนะนะเหมือนก็นเอ่ยไว้ก่อนเนี่ยความที่ท่านเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษจริงๆเนี่ยท่านเลยไม่ฉันเลยให้ไปคว่าเลย <c oughs> และยังได้แปลงอุทานนี้ออกมาว่าถ้าหากว่าเราพึงเป็นผู้บริโภคข้าวมะทุปาญาที่เกิดขึ้น เพราะการแผ่ไปแห่งวจีวิญญาณแล้วไซ้อาชีวะของเรานั้นพึงเป็นสิ่งที่บัณฑิตติเตียนได้แม้หากว่าขนดไส้ของเราจะพึงออกมาเที่ยวไปภายนอกเราจะไม่ทำลายอาชีวะเลยแม้ต้องสละชีวิตไปเราจะบังคับจิตของตนเวน้นงดเวน้นการแสวงหาไม่สมควรและจกไม่กระทาการแสวงหาที่ไม่สมควร ที่พระพุทธเจ้าทรงติเตียนนะภาษาริบุตรนั้นเป็นคนที่เป็นคนจริงจังมากเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปบิณฑบาตเนี่ยนะนก็มีขนมเอาไว้เก็บให้พระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งลูกศิษย์ของท่านเป็นขนมแป้งแป็กทอดอย่างดีเลยนะขนมอร่อยรก็เหมือนกับพวกเคก้กพวกอะไรเนี่ยนะก็เก็บไปให้ลูกศิษย์เอ้ท่านเห็นว่าเอ้ยังไงอยู่ท่านก็ถือวิสาสะฉันเลย เมื่อถือวิสาสะฉันเสร็จแล้วท่านก็พอตอนหลังลูกศิษย์องค์นั้นก็มาเนี่ยนะภาษาริบุตรก็เล่าให้ฟังว่าเออมีขนมของท่านนะพอดีผมฉันไปแล้วล่ะลูกศิษย์เนี่ยพูดประชดขึ้นมาเลยบอกของอร่อยอร่อยแบบนี้ใครก็อยากทั้งนั้นแหละหลังจากนั้นท่านไม่ฉันขนมชนิดนั้นอีกเลยขนมที่ทําด้วยแป้งท่านไม่ฉันอีกเลยนีะหลังจากฟังคํานั้นอะไรเนี่ยนะภาษาริบุตรเป็นคนที่จริงจังมากวานะเนี่ะนี่สายท่านเด็ดเดี่ยวมาก เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะความที่ท่านจริงจังเนี่ยเห็นอาหารนี้มันเกิดไม่ชอบทำเอาไปคว่ำทิ้งได้เลยเ น, นะท่านไม่รับบริโภคแน่นอนก็เหมือนกับพี่สุกล่มหนึ่งะน ะ, อะตอนที่ท่านไปจํำภรษาอยู่ที่ที่วัดแห่งหนึ่งที่พระโกกาลิกาเป็นเจ้าอาวาสอะ่ะท่านรู้ว่าพระโกกาลิกาเนี่ยนะไปบอกชาวบ้านให้มาทําบุญกับท่านอะ่ะอันนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านเลยบอกว่าอาหารนี้ไม่ควรแก่พวกเราด้วยไม่ควรแก่พระโกกาลิกาด้วย โอ้พระโกกาลิกาตนี่โกรธใหญ่เลยเนี่ยนะยไม่เอาก็น่าจะบอกให้เราก็ยังดีเาไงเนี่ยนะเพราะนั้นความที่ท่านเป็นคนเนี่ยเป็นคนใจเด็ดเดี่ยวจริงจรเนี่ยนะภาษาริบุท์เนี่ยอันหนึ่งในความข้อนี้บัณฑิตควรเล่าเรื่องพระมหาติสสะเทระผู้ฉันมะม่วงซึ่งอาศัยอยู่นะจีวรคคมพระวิหารไว้ด้วยันนเดี๋ยวขออ่านดีกาให้ฟังนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระมหาติสสะเทระ มีเนื้อหาดีมากศรัทธาน ะ, ะมีเรื่องเล่าว่าพระมหาติสัทระนี้เมื่อเดินทางไปในการเกิดทุพพิขภัยเนี่ยนะอาหารหายากก็มีกายลำบากอ่อนกำลังเพราะขาดอาหารและเพราะความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางจึงนอนลงที่โคนมะม่วงผลิตผลต้นหนึ่งมะม่วงลูกกำลังดกเลยนะมีผลมะม่วงมากมายตกอยู่ที่ ที่ตรงนั้นตรงนี้ณนะที่นั้นอุบาสกวัยเท่าผู้หนึ่งไปถึงที่พำนักของพระเถระทราบถึงความลำบากเนี่ยนะโอ้โพร้อมก็นหรอกไงนะเพลียมนอนเนี่นนะยมา น, านมานอนแสอวอยู่ใต้ต้นมะม่วงนั่นแหละคือพระพิสูจน์นั้นถ้าหากว่าเลยการเนี่ยนะเลยการไปแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่ฉันอาหารอีกทีนี้อ้าวฉันได้เฉพาะน้ำปา น, นะทีนี้น้ำปา น, นะมีข้อแม้ว่าทาเองไม่ได้นะ น้ำปนานะเนี่ยนะทําฉันเองไม่ได้ถ้าทำฉันน้าปานะเนี่ยนะทำฉันตอนเช้าได้แต่ทําเสร็จในตอนเช้าเอาไว้ฉันบ่ายไม่ได้แต่ถ้าสมมาเนนทําหรือคารวาธทำเนี่ยนะทำตอนไหนก็ฉันได้แต่ถ้าหากว่าทําเองเนี่ยจะฉันได้เฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวเห็นไหมเพราะฉะนั้น น, น้าปานะเนี่ยทำเองไม่ได้เมื่อไม่ได้ท่านก็ทํำยังไงอ่ะตอนเย็นใช่ไหมก็นอนทําตาเปรีบๆดูลูกมะม่วงอย่านั้นแหละหิวก็ทําไงแต่ท่านคงเจริญกรรมฐานอะไรองค์นี้ ทีนี้อุบาสกผู้เท่าคนนี้ก็เห็นแล้วก็รู้นะรู้ถึงความลําบากนะตงสัยกระแสรเต็มทีแล้วจึงทําน้ําอัมพบานอัมพาีิแปลว่ามะม่วงบานนี่แปลว่าปานะหรือน้ําดื่มก็ทําน้ํามะม่วงคั้นให้ฉันแล้วก็แบกขึ้นหลังของตนนําไปสู่ที่อยู่นะท่านเดินไม่ไหวแล้วอดมาหลายวันพระเถระก็โอวาตนเองว่าอุบาสกนี้ไม่ใช่บิดา ทั้งไม่ใช่มารดาของเจ้าไม่ใช่ญาตทั้งไม่ใช่เผ่าพันธุ์แต่ยังกระทํากิจเห็นเช่นนี้ได้ก็เพราะเหตุที่เจ้าเป็นผู้มีศีลดังนี้แล้วก็เริ่มการพิจารณาเจริญวิปัสสนาไปยังอยู่บนหลังของอุบาสกผู้นั้นนั่นเองก็กระทําให้แจ้งแล้วซึ่งพระอรหันต์ตามลำดับมรรคเนกโอ้โหบรรลุพิเศษมากบรรลุบนหลังอุบาสกเลยเหมนน เพราะฉะนั้นพะะระติดสะเทะรูปนี้เนี่ยนะเป็นพระที่เป็นตัวอย่างอย่างดีในเรื่องของอาชีพที่บริสุทธิ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยประพันธ์เป็นคาถาว่านักพรตผู้บวช ด, ด้วยศรัทธามีปัญญาเห็นแจ้งไม่ทําแม้ความคิดในการแสวงหาไม่สมควรให้เกิดขึ้นแม้โดยประการทั้งปวงจะพึงยังอาชีวะให้หมดจดได้ โดยประการที่กล่าวนี้แหละเนี่ยนะท่านอาศัยนี้ก็อาชีวะที่บริสุทธิ์เนี่นะเป็นเหตุให้แทงตลอดมักผลนิพพานได้เพราะว่าเป็นหนึ่งในจตุบปปริสุทธิ์ที่ศีลซึ่งเป็นศีลวิสุทธิ์เป็นปัจจัยเพื่อจิตตวิสุทธิ์ที่ทิวิสุทธิ์เป็นต้นไปนะเลยไปหาปัจจะญาณนิสิตศีลเลยเนาะ เหมือนอย่างว่าอาชีวะปาริสุทธิศีลภิกษุพึงทําให้ถึงพร้อมได้ด้วยวิริยะฉันใดถึงปัจจยสานิสีตศีลภิกษุก็พึงทําให้ถึงพร้อมได้ด้วยปัญญาฉันนั้นเห็นไหปาติโมกจะสําเร็จได้ด้วยศรัทธาอินทรีย์สังวรสําเร็จได้ด้วยสติอาชีวปาริสุทธิ์ศีลสําเร็จได้ด้วยวิริยะส่วน ปัจญาสานิสิตศีนี้ก็ทำให้ถึงพร้อมได้ด้วยปัญญาฉะนนั้นเพราะว่าปัจญาสานิสิตศีนั้นมีปัญญาเป็นเหตุให้สำเร็จเห็นนะถ้าไม่มีปัญญาศีนอนี้รักษาไม่ได้เพราะผู้มีปัญญามีความสามารถในการเห็นโทษและอนิสงในเพราะปัจจัยทั้งหลายได้นนะคือจะเห็นโทษของการไม่พิจารณาและก็เห็นอนิสงแห่งการพิจารณา คนที่เห็นโทษเห็นอันนี้สองลักษณะนี้แหละเขาจึงจกักเจริญปัจจะญาสานิสีตสินได้เพราะฉะนั้นภิกษุพึงละความอยากในปัจจัยเสียแล้วพิจารณาด้วยปัญญาโดยวิธีตามที่กล่าวแล้วบริโภคปัจจัยที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามธรรมก็จะทําปัจจะญาสานิสีตสินนั้นให้ถึงพร้อมได้ น, นะ ทีนี้ท่านก็กล่าวว่าการพิจารณาในปัจจยสานิสิตศีนั้นมีสองอย่างคือในเวลาที่ได้ปัจจัยหนึ่งนะพอได้ปัจจัยมาก็พิจารณาเลยในเวลาที่บริโภคหนึ่งเห็นะพิจารณาสองขณะขณะที่ได้มากับขณะที่บริโภคเนี่ยนะจริงอยู่การบริโภคของภิกษุผู้บริโภคปัจจัยมีจีวรเป็นต้น ที่พิจารณาโดยเป็นธาตุหรือโดยเป็นปฏิกูลแม้ในเวลาได้มาแล้วเก็บไว้ต่อจากเวลาที่ได้นั้นไปก็หาโทษไม่ได้เลยเห็นไหมคือพอได้ปัจจัยได้จีวรเป็นต้นมาเนี่ยนะพิจารณาเลยว่าจีวรเ น, นี่ยนะเป็นธาตุชนิดหนึ่งเขวาว่าไจีวร น, นี่เป็นธาตุอะไรจีวร น, นี่เป็นได้กี่ธาตุนะจีวร น, นี่ ถ้าสีเป็นรูปธาตุใช่ไหมถ้าหอมไม่มีเสียงเป็นสัตวธาตุกลิ่นของจีวรเป็นคันธททาตุรสแห่งการใช้สอยชื่อวรสธาตุนะโพธาภะคือการกระทบเป็นโพธาภะธาตุแบบนั้นพิจารณาโดยความเป็นธาตุหรือว่าไอ้กายที่เอาจีวรเป็นต้นมาห่มก็เป็นธาตุอีกเหมือนกันกายนี่มีธาตุอะไรแบบนั้นก็คือสงเคราะห์โดยธาตุเลยให้หมดเลย นะอย่างแล้วว่าธรรมะนี่มีกี่าธาตุกี่อะไรเนี่ยนะพิจารณาหรือพิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลอย่างตัวอย่างว่าโอ้จีวรเหล่านี้เนี่ยนะไม่ปฏิกูลนะ้าลองเอามาห่มสิเอามาหอมเสร็จนะวางปั๊บเนี่ยเป็นของปฏิกูลทันทีเลยอย่างอาหารเนี่ยนะขนมจีนเนี่ยถ้ายังไม่โดนปากเรานะอยู่ในจานเนี่ยโอ้โหไม่ปฏิกูลหรอกแต่ถ้าหากว่าเอาไปใส่ปากแล้วคายออกไว้ที่เดิมนั่นแหละสุดยอดเลยนะ ทีนี้ในเวลาที่ได้มาก็พิจารณาเสียก่อนเนี่ยนะพิจารณาโดยธาตุหรือโดยปฏิกูลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะในเวลาที่ได้มาแล้วก็เก็บไว้ทีนี้ในเวลาบริโภคเนี่ยนะแม้ในเวลาบริโภคก็ต้องพิจารณาต่อไปอีกเนี่ยนะพิจารณาตามหลักที่เคยว่าไปแล้วใช่ไหมถ้าจีวอนนี้ใช้สอยเพื่อเนี่ยนะอาหารบิณฑบาตฉันเพื่อเสนาสนะอยู่เพื่อยา บริโภคเพื่ อ, อนะจะต้องรู้เลยว่าอะไรเป็นประโยชน์หลักประโยชน์ชั่วคราวอะไรเป็นประโยชน์หลักของเรื่องนั้นๆยกตัวอย่างถ้าหากว่าจีวอเนี่ยนะประโยชน์หลักของจีวอนเลยก็คือเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเนี่ยนะถ้าประโยชน์ทั่วไปเลยก็คือเพื่อบําบัดความหนาวเป็นต้นเพราะการพิจนารณาการใครควรวญในเรื่อง เรื่องเหล่านี้ให้มากๆทีนี้ต่อไปนี้เป็นข้อวินิจฉัยที่กระทำความตกลงกันได้ในการพิจารณาในเวลาบริโภคนั้นทีนี้ผู้ที่จะรู้เรื่องบริโภคดีจะต้องรู้จากลักษณะของการบริภคเขาว่างนันจริงอยู่การบริโภคมี4อย่างคือทยะบริโภคบริโภคอย่างขโมย1 2 อ, อินะบริภคบริภคอย่างเป็นหนี้หนึ่ง สามทายชาติบริโภคคือบริโภคอย่างทายาทคือผู้รับมรดกและก็4ีสา ม, มีบริโภคบริโภคอย่างเจ้าของในการบริโภคทั้งสี่อย่างนั้นการบริโภคของภิกษุทุศีลผู้นั่งบริโภคแม้ท่ามกลางสง์ชื่อว่าทยะบริโภคเนี่ยนะอา้าวถามว่าทำไมจึงเรียกว่าทยะบริโภคละ่ะอา้าว เพราะว่าพระองค์นี้อนุญาตปัจใจศีลให้ใครให้ผู้มีศีล น, นะพระผู้เทเจ้านี้อนุญาตปัจใจศีล ส, สาหรับเพียงสูผู้มีศีล น, นะหรือโยมที่ถวายปัจใจศีลก็เหมือนกันเคยคิดไหมเออส่วนนี้แบ่งให้พระทูตศีล น, นะส่วนนี้ให้ผู้มีศีลนี่นนะจําเพาะเจาะจงไปเลยว่าเอาคนไม่มีศีลเท่านั้นมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัดใ จ, จที่เขาถวายมาเนี่ยนะก็เพื่อคนมีศีล พระองค์อนุญาตปัจจัยสีก็สำหรับภิกษุผู้มีศีลเพราะฉะนั้นผู้ไม่มีศีลถึงนั่งข้ามกลางสงบริโภคก็ชื่อว่าทายะบริโภคบริโภคอย่างขโมยว่า ง, งั้นเพราะว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้ใช่ไหมเมื่อไม่อนุญาตให้ไปบริโภคก็ชื่อว่าขโมย